ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจักรพัทเพื่อน้อมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกาธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลขอราธนาบารมีกำลังสมเด็จองค์ต ถ, ถึงองค์ปัจจุบันพระองค์มหาจักรพัททุกพุะองค์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 ธรรมังสารังฆจชามิสังฆังสารังฆาชามิทูติยามปิอุทธังสารังฆจชามิทูติยามปิธรรมังสารังฆจชามิ ภูติยามปสังภังสารังคจามิตาติยามปพุทธังสารังคจามิตาติยามปิธรรมังสารังคจามีตาติยามปิสังภังสารังคจามี ปาณาติปาตเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอารินาทานาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะพรมัจาริยา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 ทามังกรตานังการุณีนังการุณีนาโมพุทธ isatto akanti maya idipa k a v นาโมพุทธ isatto akanti maya idipa kava นาโม ทิสัตโตอาคันติมายะนโมโฆทิสัตโตะโรมมะัญโยนโมโฆทิสัตโตะโรมมะปัญโยนโมโฆทิสัตโตะพรมมะปัญโยเยโอโตโสมะหิตเต นาพุทัสสังหิปา a ะโตมายะกามังหกาตังโทสัสัพพะปังสัตุโยโทโสโมหิตเตนาธรรมสัง p a ปาปะโตมายะกามังหิ กัตังโทสังสัพพะพาปังินาสันตุโยโทสอาจิตเตนาสังฆะเสมิปาปะโตมายาพามะทมีกัตังโทสังสัพพะพาปังวินาสันตุ นาโมทัสสะพากาวาโตอะโตสามมาสามพุทตะนาโมทัสสะพากาวาโตอาระหะโตทัสสะนาโมตัสสะพากาวาโตอาระหะโตสามพุทตะ นะโมพุทายะพระพุทธายรัตนญา a มามีนอบรัตศีสาหาสุธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆเยธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หากีทานังวรังคันธังสีวะริตมหาเถรังอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาดตโยอาหังวันทามิสัพปโสภทธาธรรมะสังฆาูุเสมินาโมภุทายา ราพุทธาไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์สีสหัสสุตธรรมาพุทโธธรรมโอสรรค์ยะถาภูมินะพูทธาูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธางวารังคันธังสีวลีธรรมหาเสรัง อาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะราพุทธะไตรยตรตยานมาหีนอปารัตีสาหาสุตธรรม 佛陀ธรรมโมสังโฆยะถาภูมินาภูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธาหนังวะรังคันธ์สีวรีจามาฮาเถระอาหังวันธานิทุระโตอาหังวันธานิอาติโย อาังวันทานิอัพปสโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเณนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรตะนัยานมามีนภารัตสีสาหาสุธัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุปโมนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางศีวารีธมหาเถระอาหังว ah ันทามิท ah ุระโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพพโสบูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนยาาณมานีนพรัตติสาหาหาสุธรรมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุปโมนะพุทธามูชาธรรมะมูชาสังฆามูชาทิธางวรังคันทัง สีวาริจามาหาเถระอาหังวันทานิทุระโทอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเชนินาโมพุทธายะราพุทธรยตระยาวะนีโนปารั สีสาหาสาสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาอุโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังตันทังสีวะริกรรมาหารังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตโย อาังวันทามิสัพพโสภูตตาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมาโมพุทธศสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ พุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชาพีทาหนังวารังคันธงสีวรีธรรมะเถระอาหังวันทาณิทุระโตอาหังวันทาณิอาตุโยอาหังวันทาณิสัพปโสพุทธธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธยะพระพุทธไยตนะยานมามีนพรัตติสีหาชาสุธรมพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพูทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวรางคันทัง <laughs> <laughs> สวริจามาหาเถราหังวันธานิตุระโตอาหังวันธานิอาตโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมสานคาปุเชนินาโมพุทธายะระพุทธายะตระยานมะนีนภรัต สีสาหาสาสุตังมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุททะบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทีทานังวะรังคันธังสีวะริกะรมาหารังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิท้าตโย อางวันธามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไทรยตระหนยาน y a n i นภะรัตสีสาหาสุตธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาพีธานังวารังคันธ์สีวรีกัมหาเถรังอาหังว ah ันทามิทุระโตอาหังวันทานิทาตุโยอาหังว oh. ันทานิสัพะโสบูธาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธยะพระพุทธไตรยตนะยานมาหนีนพรัตตศีสหัาสุธรรมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุปโมนาพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาทิธางวรังคันทัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิส so. ัพปโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเตนินาโมพุทธายะราพุทธายะตนะยานนาหิโนภาต ส Karl ีสาหาชาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพูทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาปีทานังวารังการังสีวารีสรมหาเถรงอาหังว ah ันทามิทุรโตอาหังวันทามิอาติโย อาังวันทานิตัปโสุภูตธาธัมมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระนยานมะนีนพรัตสีสาหาสุตธัมมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาุูมินา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันธรงมีวตริจามหาเถรังอาหังว ah ันทานิท ah ุรโตอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมามีนอารศีสาสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาูชาธรรมะูชาสังฆาูชาทิธางวรังคันท สีวะริจามหาเถรังาหังวันทามิตุรโตอาหังวันทานิอาตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุเะนินโมุทธายะรักุทธายตะนยานมาหีนปรัต สีสาหาสาสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทาหนังวารังกันทังสีวรีธรรมะหาเถรังอาหังวันทาณิสุรโตอาหังวันทามิอาตุโย อาหังวันธานิสัพสุภูธาธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยานมานีนพรัตสีสาหัสสุธรรมะพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาภูมินา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังพุบูชาพิทานังวะรังกันทางศีวิจารมหาเถรังอาหังว ah ันทามิท ah ุระโตอาหังว ah ันทามิอาตุโยอาหังวันทามิสัพปะโสพุทธะธรรมะสังพุทธเจนี นาโมพุทายะพระพุทธไตรยตณะยานมาณีนพรัตสีสาหาสุธรมมะพุทโธธรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธูชาธรมะมูชาสังฆามูชาทิธางวรังคันทัง สีวะริจามหาเถระอาหังวันทามิตุลโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสักโสพุทธธรรมะสังฆาปุเสนินาโมพุทธายะระพุทธาไตรยตระยานมานีนปารัต สีสาหาชาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะธาพุโมนะบูธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังกันทางสีวาริตมหาเถรังอาหังวันธาไมทุระโตอาหังวันธาไิทัสโย อังวันธาิสกัสโสพุทธะธรรมะสังฆูเชนินโมพุทายะพระพุทธไตรยตระนยานมายีนพระตสีสหัสสุตัมมาพุทโธธมโมสังโฆยะถาพุทโา พุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาปีทานังวารังการทางศิวีกรมหาเถรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมิ นาโมพุทธยะพระพุทธายะตนะยานมาฮิโนบาลสีสหัสสุตธรนมาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุโมนพุูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆูชาทีทานังวารังพันธัง สีวลีกรรมมหาเถรังอาหังวันทามิตุระโตอาหังวันทามิอาตโยอาหังวันทามิสัพะโสพุทธะธมสังฆเจนินโมพุทธายะระกพุทธไตรลักษณ์ามีนพรั สีสาหาสุธรรมะโพธโธรรมโมสังโฆยะถาภูมินาโพธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอาณังวะรังคันธังสีวารีสมหาเจรังอาหังวันทาณิตุรโตอาหังวันทาณิตาติโย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 เปโธทัสสะเปถะมาสะเปสังฆาภาลปัตตาปเจกาณจายังภะลังอาลหันตาณจจะเอเจนะรักขังสะปะโสสะเปโธทัสสะเปถะมาสะเพสังฆา ฮาลาปตาปะเจกานันเจยันพลังฮาลหันตานันจาเอเจนารักข Al ah an ังสาเจพุทธาสาเพธรรมาสาเพสังฆาฮาลาปตาปะเจกานันเจยันพลัง หังตานันจะเตเจน่ารักขังพันธามิขปัสโซสาเปภูธาสาเพธัมมาสาเพสังฆาปตาปเจกานันเจยังพลังอาลหันตานันจเตเจเจน่ารักขังพันธามิขปัสโซ สัพเพพุทธะสัพเพธัมมะสัพเพสังฆะอะตาปจเจกานันทยังพลังอาลหันตานันจเตเจนารักขังปังตามิสัพเพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ อธิษฐานถ้านในอธิษฐานรวมกำลังจั ก, กระพัดที่เราสวดทุกวันเวลาสัปเพถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระทิวันาพระเมนพระที่ทรงเครื่องอมันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กระพัดหรือพะาาระอรหันต์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 เพุทธาสัพเปธรรมาสัพสงฆาภาระปัตาปเจกาณจะยังวะรังภาระหันตาณจะเตเจนารักขังพันตามิสัปโสสัพเปพุทธาสั ทัมมาสะเพสังคา มำบางอธิษฐามิสังคำอธิฐามิ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 เริ่มตั้งแต่ทานศีเนกะคมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศพรามรมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคา ภาระปัตจานาจเจกาณเจียงภรังอาราหันตานาจเจเจนะรับขังมิสัพปโสสาเปพธต้าสาเปธรรมมาสาเปสังคา ปัตตาปเจกานันเจยังภารังอะระหังานันจเจเจนรักขังปันธานิสัพโสสาเพพุทธาสาเพธรรมาสาเปสังคาภาระปัตตาปเจกานันเจยังภารัง อาระหันตานันจเตเจนารักขังอามิสปัสโซสาพเพกุทาสัพเพธรรมาสัเพสังฆาภาระปัจจารปเจกังนันทยังวะรัง อาหันตาหันจ an ่าเจเจนะรักขังนีสัพพโสสาพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาทาราปัจารเจตามันเถรังว่า อาระหังตานัจจีเสนาะทังมิสัพสะโสพุทธังอธิฐามิธรามังอธิฐามิสังขังอธิฐามิ